สองคำนะที่รูปคำมันใกล้กันมากแต่ความหมา ย, ว, ยว่าแตกต่างกันเป็นตก็นคาบเลยนะคือคาว่าถูกต้องนะกับถูกใจเนะี่ยความหมายเนี่ยหรือในย่ามันต่างกันมากทีเดียวแล้วก็มีผลต่างกันด้วยต่างกันแบบคนละขั้วเลย ถูกต้องนี่มันเป็นเรื่องของการใช้ปัญญาถูกใจนี่เป็นเรื่องของการใช้ความรู้สึกนะเยเพราะเวทนาต้องเนี่ยมันเป็นคุณนะแต่ถูกใจเนี่ย ม, มันมักจะเป็นโทษถูกต้องเนี่ยมันทาได้ยากเพราะว่ามันทวนกระแสะกิเลสแต่ถูกใจมันทำได้ง่ายนะเพราะมีการปล่อยใจไปตาม อารมณ์ไปตามน่างกิเลยถ้าคนเราเนี่ยถ้าว่าเราให้ความสำคัญกับความถูกต้องนะพราะมันเกิดประโยชน์มากแล่มันก็เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการใช่ช่วยของเราในในทุกเรื่องเลยเรื่องแต่การกินเนี่ยถ้าเรากินโดยคำนึงถึงความถูกต้องนะ มันก็จะเกิดประโยชน์ต่อร่างกายต่อสุขภาพแล้วอาจจะรวมไปถึงต่อสิ่งแวดล้อมด้วยแต่ถ้าเรากินโดยศัยความถูกใจนี่นะมันก็จะเกิดปัญหาตามมาเช่นความเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บแล้วจะรวมไปถึงการสิ้นเงินอ่เปลืองเงินเปลืองทอง นักเรียนเนี่ยนึกถึงความถูกต้องนะมันก็จะขยันเรียนตั้งใจทำการบ้านแต่ถ้าเอาความถูกใจนะี่มันก็ไม่สนใจเรียนเกียรตครัน้นจัดบ้านก็ไปลอกเข้ามาถูกต้องจะหมายถึงว่าเรารู้จับดอดอมประหยัดมัธยัติัแต่ถูกใจนี่ก็คือการ ใช้อย่างสูรุ่ยสูร่ายฟุ่มเฟือยจนเป็นหนี้เป็นสินหรือพาเราไปทำในสิ่งที่ย่ำแย่เช่นลักขมโมยเลย่นการพ น, นันหรือจิตจริตเพื่อได้มีเงินมาใช้จ่ายปรนเปลอความอยาก คนนี้เขาเป็นทกความถูกต้องนี้เขจะเวลาชิงขยะก็ชิ้งขยะเป็นที่ใส่ถังขยะถ้าถังขยะยังอยู่ไกลนะั้นก็จะถือเอาไว้พอเดินไปถึ ง, งถังขยะถึงค่อยโยนขยะลงไปในถังแต่ถ้าถูกใจนะมันก็ทิ้งมาเป็นที่เรี่ยราดโยนข้างถนน ปาออกจากตัวรถนะมันพฤติกรรมมันแตกต่างกันเลยนะระหว่างความถูกต้องกับความถูกใจพุทธศาสนาเนี่ยนะคำสอนเนี่ยหรือการปฏิบัติเนี่ย ก็มีกานกายอยู่ตรงนี้แหละคือความถูกต้องอรนนิ ม, มัคมองแปนเนี่ยมคือเรื่องความถูกต้องนะสัมมาตั้งแต่ส ม, มาทิฏฐิไปจนถึงสัมมาส ม, มาธิคาว่าสัมมาเนี่เราแปลว่าชอบนะความคิดชอบดำริชอบเนะนี่ยไอ้ชอบเนี่ยคือความถูกต้องนั่นแหละมีความเห็นที่ถูกต้องมีความดำริที่ถูกต้อง ซึ่งถ้าเราปฏิบัติให้เกิดขึ้นกับเนื้อกับตัวทั้งกายวาจาใจมันก็ช่วยทำให้ชิ้นเราเนี่ยเป็นไปในทางถูกทำนองคลองธรรมแล้วก็ห่างไกลาจากการชักจูงของกิเลส หรือทำให้กิเลสมันบเทาเบาบางไปทำให้แรงจูงใจที่จะทำอะไรด้วยคำหนึ่งถึงความถูกใจมันก็น้อยลงแต่แล้วก็ตามเนี่ยแม้ว่าความถูกต้องความถูกใจมันจะมีในยะหรือความหมายตรงกันข้าม แต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกันนะโดยพาะถ้าเกิดว่าเรายึดมั่นในความถูกต้องมากเนี่ยอะไรที่ถูกต้องก็กลายเป็นความถูกใจไปเช่นพอเรายึดมั่นในความถูกต้องในเรื่องใดก็ตามพอมีใครที่เขาปฏิบัติถูกต้อง ตรงตามความเห็นของเราตรงตามมาตรฐานของเราแล้วก็ชอบใจนะหรือเห็นว่าการกระทำนั้นถูกใจคนคนนั้นถูกใจกลายเป็นคนที่เรายกย่องเชิดชูเกิดความศรัทธาเพราะว่าถูกใจเราที่ถูกใจเพราะว่าสิ่งที่เขาทำมัน ถูกต้องตามความคิดของเราถถูกต้องมั น, มนก็อาจจะนำไปสู่ความถูกใจใ น, ใ, นในทําในในทนองเดียวกันถ้าไม่ถูกต้องมันก็สามารถทำให้เกิดความไม่ถูกใจขึ้นมาได้อย่างเช่นลูกเนี่ยถ้าไม่ทำตามคำสอนคำแนะนำของพ่อแม่ ทำในสิ่งที่แม่พ่อเห็นว่าไม่ถูกต้องสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือความไม่ถูกใจนะพ่อแม่ก็ไม่ถูกใจขึ้นมาทันทีถ้าลูกไม่เรียนคณะที่พ่อแม่แนะนําหรือเห็นว่าดีเห็นว่าถูกต้องพ่อแม่ก็จะไม่พอใจรู้สึกว่าการกระทําของลูกไม่ถูกใจ เกิดความโกรธเกิดความเครียดขึ้นมาหรือว่าถ้าลูกไม่เลือกอาชีพที่พ่อแม่เห็นว่าดีเห็นว่าใช่เห็นว่าถูกต้องในความไม่ถูกใจก็เกิดขึ้นทันทีมันก็นำไปสู่ความโกรธ แต่บางครั้งมันไม่ใช่ความโกรธงมันเป็นความเกลียดด้วยนะเมื่อเห็นความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นอย่างเช่นอันนี้ไม่ใช่พ่อแม่กับลูกแต่จะเป็นคนอื่นนะเขาปฏิบัติตัวนะไม่ถูกทำนองคลองธรรม เราเห็นเราก็เกิดความรู้สึกว่าเนี่ยเกิดความไม่พอใจขึ้นมาทันทีสิ่งที่เขทำเนี่ยจากความไม่ถูกต้องมันกลายเป็นความไม่ถูกใจในความรู้สึก ข, ของเรานักเรียนที่ไว้ผมยาวผิดระเบียบแต่งกายผิดระเบียบไม่ถูกต้องตามระเบียบแบบแผน มันก็ทำให้เกิดความไม่ถูกใจขึ้นม า, เ, าเกิดความโกรธเกิดความเกลียดขึ้นมาก็มีอันนี้เราเป็นปรากฏการณ์ที่เราเห็นได้ทั่วไปความไม่ถูกต้องมันก็สามารถจะนำไปสู่หรือก่อให้เกิดความไม่ถูกใจขึ้นมาได้มันไม่ใช่ว่า มันจะกลายเป็นสิ่งตรงข้ามกันอย่างที่พูดตอน ต, อนตอน้ตนๆ้นบางทีมันใกล้กันมากและจากความไม่ถูกใจกลายเป็นความโกรีดความเกลียดบางทีมันก็นําไปสู่การทําในสิ่งที่กลายเป็นไม่ถูกต้องขึ้นมาอย่างเช่นอันนี้เราก็เห็นบ่อยนะ เ, เวลาใครอ่า ทำอะไรไม่ถูกต้องขึ้นมาเช่นเอารถไปจอดนะในที่ที่จอดสำหรับคนพิการเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็มีกล้องวงจรปิดหรือมีคนถ่ายรูปเอาไว้พอเขาโพสต์ขึ้นโซเชียลมีเดียเฟซบุ๊กหลาคนก็ลุมประนามเลย อ้การวิจยัยเนี่ยมันก็มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายนะเพราะว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ถูกต้องอยู่แล้วแต่บางทีมันกลายเป็นการใช้อารมณ์ขล่มไปเลยนะจนบางทีเจ้าตัวนี่ไม่มีที่ยืนในสังคมเลยอย่างเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยในประเทศเกาหลีเนี่ยมีผู้หญิงคนนึงเอาหมาไปเลี้ยง เอามาไปเดินเล่นกฎมายของเกาหลีเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยถ้าหมามันขี้เนี่ยเจ้าของนี่ต้องเก็บขี้นั้นนะเพราะฉะนั้นเจ้าของจะต้องมีถุงพลาสติกเดินตามหมาไปหมามันขี้ที่ไหนก็ต้องเก็บนะก้อนขี้นั้นเนี่ยเพื่อไปทิ้งอันนี้ก็เป็นกฎที่ มุ่งให้เกิดความสะอาดและสุกอนามัยโัวผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยทำเป็นมองไม่เห็นนะหมาขี้แล้วไม่เก็บถ้ามีคนเห็นนะผ่านทางกล้องวงจรปิดก็โพสขึ้นนะทางเว็บไซต์สมัยนะั้นมันยังไม่มี a c e b o o k นะแต่ว่าคนเห็นเนี่ยหวก็ไม่พอใจมากอนนี้ไม่ถูกต้องเนี่ย จากความไม่ถูกต้องเป็นความไม่ถูกใจเพราะว่ามัการเปความโกรธมีการไปขุดคุยว่าผู้หญิงคนนี้ชื่ออะไรบ้านอยู่ที่ไหนทํางานที่ไหนเพราะว่าทํางานที่หมาวยเทลัยคนก็ลุมถล่มหมายเทลัยเลยเพื่อบังคับให้ไล่ผู้หญิงคนนั้นออกพ่อแม่ผู้หญิงคนนั้นก็เดือดร้อนที่ทํางานของพ่อแม่ผู้หญิงคนนั้นก็ เรียกว่าเดือดร้อนไปด้วยสุดท้ายพิง้็ไม่มีที่ยืนเลยนะอันนี้เรียกว่ามันเป็นการใช้อารมณ์นะเป็นการกระทำที่เกินขอบเขตขาดเมตตาเลยนะไม่มีเมตตาเหลือเลยหรือผู้หญิงบางคนเนี่ยในอิตาลีเนี่ยมีผู้หญิงบางคน แกก็เห็นด้วยกับรักรวมเพศนะบอกว่าคนไม่พอใจมากคนก็รุมถล่มเพราะว่าเป็นความเห็นที่มันผิดผิดระเบียบหรือว่าผิดทำนองคลองธรรมผิดประเพณีรุมถล่มตนเขาไม่มีที่ยืนอยู่ที่ไหนก็โดนเล่นงานสุดท้ายก็ฆ่าตัวตาย อันนี้มันเป็นตัวอย่างที่ชี้เห็นเลยนะว่าคนเราเนี่ยบางทีพอไปยึดความถูกต้องมากเนี่ยไอความไม่ถูกใจนี่มันครองใจแล้วมันกลายเป็นความโกรธเป็นความเกลียดนะเป็นความไร้เมตตาที่จริงการที่คนเราเนี่ยใส่ใจความถูกต้องเป็นเรื่องดีนะแต่ถ้าเรายึดมั่นถือมั่นมากไปนี่มัน ก็กลายเป็นโทษได้เหมือนกันขึ้นเชื่อวความยึดมั่นถือมั่นแล้วนี่ไม่ว่ายึดมั่นอะไรก็มีโทษทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นการยึดมั่นในความถูกระเบียบถูกขนบธรรมเนียมประเพณีหรือว่าถูกระบอบอย่างนักเรียนไว้ผมยาวแต่งตัว ไม่ถูกระเบียบของโรงเรียนครูก็ลงโทษอย่างรุนแรงนะอันนี้มันมันเปลี่ยนนะมันมันลักมันลามนะมันขยายจากความไม่ถูกต้องกลายเป็นความไม่ถูกใจไปแนละ้วแล้วก็เลยเกิดอารมณ์ตามมาเกิดการใช้ความรุนแรงอย่างที่เคยเล่านะศิลจารณีเพื่อบวชนะมือใหม่ป้ายแดง อายุยังไม่เท่าไหร่มาบวชศีละใจลินีไม่รู้ระเบียบยืนกินน้ำํำมีแม่ชีนี่เห็นนะแม่ชีเห็นนี่ก็ไม่พอใจเลยนะเห็นความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นความไม่ถูกใจก็ตามมาทําอย่างนี้มันผิดระเบียบไม่ถูกระเบียบโกรธมาก คุบหลังศิล จ, จารุณีเลยมันไม่มีความเมตตาเลยเพราะว่าความยึดมั่นในความถูกต้องเนี่ยมันทำให้เกิดความไม่พอใจทำให้เกิดความโกรธความเกลียดเดีย๋ยวนี้มันเป็นกันเยอะนะโดยเฉพาะไม่เป็นแม้กระทั่งชาวพุทธเนี่ยทีจริงชาวพุทธนี่ก็สำคัญเหมือนกันเพราะพุทธศาสนาเราเป็นในเรื่องความถูกต้อง คนที่เป็นชอพูดเล้วราก็ถูกสอนมาให้ให้คำนึงถึงความถูกต้องทำอะไรก็เอาความถูกต้องเป็นหลักจะเอาความถูกใจแต่พอยึดมั่นถือมั่มากๆนี้มันก็สามารถจะเกิดความไม่ถูกใจเกิดความไม่พอใจขึ้นได้ง่ายๆเวลาเองความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นเพราะว่าพอยึดเอาความถูกต้องว่าเป็นกูเป็นของกูต้องถูกต้องแบบกู พอเห็นใครทำอะไรไม่ถูกต้องมันก็ไปกระทบตัวกูมันก็เลยเกิดความโกรธจนกระทั่งไม่มีความเมตตาเหลือหรือความเมตตาก็หายไปก็ดีก็มีหลวงพ่อเฟื่องโชติโกท่านพูดไปดีทนะ่านบอกว่าความเห็นของเราแม้จะถูกแต่ถ้ายึดเข้าไว้มันก็ผิดนะความเห็นน่าจะถูกนะแต่ถ้ายึดเข้าไว้มันก็ผิดเพราะว่าพอยิกเข้าไว้แล้วเนี่ยใครที่ เห็นไม่ตรงกับเราเห็นผิดจากเราหรือว่าเห็นไม่ถูกต้องมันก็จะเกิดความโกรธขึ้นมามองเขาเป็นคนเราพวกมองเขาเป็นคนที่จะต้องจัดการไอ้ชาวผู้เราต้องระวังเพราะว่าความยึดมัน่นในการยึดมั่นในความถูกต้องเนี่ยถ้าเราไม่ระวังเนี่ยมันก็จะนาไปสู่ความโกรธความเกลียดการขาดเมตตา อย่างที่เคยเล่านะก่อนฉันเนี่ยตอนที่เนติวิทย์เนี่ยเขาตั้งใจมาบวชพระเนี่ยที่วัดยานเวศ ก, กวรัณเนี่ยมันมีหลายคนไม่พอใจมากเพราะเขารู้สึกว่าเนติวิทย์เนี่ยมันมีความคิดที่ผิดระบอบมีความคิดที่ผิดระบอบเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาบวชอยู่ที่วัดยานเนี่ยเขาก็ไม่พอใจ พอคิดว่าเนี่ยไม่ควรจะให้โอกาสคนแบบนี้มาบวชพอวัดอนุญาตให้บวชนี่นอกจากเกลียดในติวิตแล้วนะยังโกรธวัดด้วยถึงกับประกาศว่าเนี่ยถ้าวัดยังให้ใหแก่นนำสามกรีบนี่มาบวชนี่เขาจะไม่เหยียบวัดเลยคืออันนี้มันแสดงความโกรธความเกลียดนะ เกลียดพ่ออะไรเกลียดพ่อะปยึดมั่นในความถูกต้องว่านคนอย่างเนติวิทย์เนี่ยมันคิดผิดระบอบพอคิดไม่ถูกต้องก็เลยเกิดความไม่ถูกใจจนไร้เมตตาจริงๆมันก็เป็นความคิดของคนทั่วไปเหมือนกันนะเวลายึดมั่นในความถูกต้องเนี่ยใครที่ทําผิดกฎหมายนี่ คนจำนไม่น้อยนี่ก็จะมีความโกรธความเกลียดมากถึงก็มีคําพูดว่าเนี่ยคนผิดเนี่ยมีสิทธิ์เป็นศูนย์ถ้าใครทำผิดเนี่ยมีสิทธิ์เป็นศูนย์นะคือไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับความเมตตาไม่มีสิทธิ์ที่ได้รับโอกาสสิทธิ์ที่ในการได้รับการรักษาพยาบาลหรือว่าสิทธิในการได้รับทนายไม่ให้สิทธิ์ เหล่านี้เลยไม่ควรมีสิทธิเหล่านี้เพราะมึงผิดค้ายาก็ดีเป็นฆาตกรก็ดีข่มขืนก็ดีหรือว่าผิดกฎระเบียบบางอย่างความยุบันเนื่ควาถูกต้องเนี่ยมันสามารถนาไปสู่การมีความรู้สึกที่สวนทางกับ ธรรมะได้คือขาเมตตาเช่เดี๋ยวนี้เราก็เห็นบ่อยนะที่จริงมันก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกอะถ้าใครที่ผิดอะไรสักอย่างเนี่ยเช่นมีเชื้อชาติที่ผิดมีศาสนาที่ผิดมีความเห็นที่ผิดในสายตาของเรา ก็พร้อมที่จะทําลายเขาได้เนี่ยอย่างพวกนาซีพวกเยอรมันเนี่ยเห็นว่าพวกยิวเนี่ยนะมันเป็นพวกที่มีเชื้อชาติที่ผิดมีชาติพันธุ์หรือว่าเชื้อชาติที่ผิดก็สมควรกําจัดออกไปจากโลกนี้คนที่เคร่งศาสนามากๆเนี่ยถ้าเห็นใครที่นับถือศาสนาผิดนิ ก, กาย ในสายตาองตัวก็ก็ฆ่าได้แม้ว่าจะเป็นศาสนาเดียวกันอย่างเช่นพวกชีอะกับสุนีเนี่ยฆ่ากันฆ่ากันแบบเข้มข้นมากเลยนะเพราะว่าฝ่ายหนึ่งเห็นว่าเนี่ยพวกแกนเนี่ยมันนับถือผิดศาสนาผิดนิกายพอผิดแล้วก็เลยมีสิทธิ์เป็นศูนย์นะสิทธิ์แม้กระทั่งการมีชีวิตในโลกนี้หรือว่าผิด มีความคิดผิดระบอบนะก็ต้องกำจัดอันนี้รวมถึงอุดมการทางการเมืองด้วยนะเดี๋ยวนี้บ้านเมืองเรามีความแตกต่างความคิดเห็นที่แตกต่างกันทางการเมืองมากและพอไปยึดมาในความถูกต้องของความคิดตัวเองเนี่ยใครที่คิดผิดจากตัวก็เห็นเป็นคนเร็วลายที่ต้องกำจัดมันไม่มีความเมตตาเหลือและคนที่คิดแบบนี้ก็เป็นชาวพุทธจานวนไม่น้อย แสดงที่พุทธศาสนานี่ไม่ได้นเน้นแต่เรื่องความถูกต้องอย่างเดียวนะในเรื่องความเมตตาด้ยวยเมตตาเนี่ยมันเป็ น, ปนธรรมะข้อสําคัญนะเป็นคุณธรรมสําคัญของชาวพุทธเลยแต่ว่าพอคนเป็นในเรื่องความถูกต้องมากเนี่ยมันทําให้หลืมเมตตาธรรมไปเพราะว่า ถูกความไม่ถูกใจครอบงำเวลาเห็นความไม่ถูกต้องจนเกิดความโกรธความเกลียดไร้เมตตานี่เป็นชาวพุทธเนี่ยถ้าเรายึดแต่ความถูกต้องแต่ว่าไม่มีเมตตานี่มันก็ก็ยังห่างไกลาจากความเป็นพุทธนะเพราะว่ามันสามารถที่จะนาไปสู่การทำลายกันได้อย่างบ้านเมืองเราเนี่ยนะดี๋ยนี้ก็สามารถจะ ฆ่ากันได้เพียงเพราะว่ามีความคิดที่ผิดไปจากเราเห็นว่าความคิดที่ผิดระบอบอย่าง6ตุลาเนี่ยนะทำไมคนจนวนมากเห็นว่านักศึกษาในธรรมศาสตร์ควรจะตายนะเพราะว่ามันมีความคิดที่ผิดระบอบผิดแบบแผนเมื่อคิดผิดก็มีสิทธิ์เป็นศูนย์สมควรตายนี่ก็เป็นเป็นทัศนคติที่มีไปทั่ว ก็เยวนี้อย่าว่าแต่ความคิดที่ผิดระบอบไปแนแค่ผิดระเบียบนะไว้ผมยาวแต่งตัวไม่ถูกระเบียบของโรงเรียนนี่ก็เดี๋ยนี้ก็ไม่ได้ละความเมตตานะจากครูจากผู้ใหญ่มันยากนะที่คนเราเนี่ยจะเห็นคนที่คิดผิดจากเราไม่ว่าจะคิดผิดระบอบหรือคิดผิดระเบียบหรือคิดผิดระ ผิดขนบประเพณีแล้วแต่ยังมีความเมตตาเนี่ยแต่เพราะยากเี่มันถึงจะเป็นต้องมีนะเพราะว่ามันจะช่วยทําให้เราอยู่กันได้มันมีเรื่องเล่าสมัยรัชการที่สี่เนี่ยมีหมอสอนสาศาสนาคนหนึ่งเนีชาวอเมริกันชื่อหมอบัตเล่หมอบัตเล่เนี่ยแกเป็นคนที่เป็นมิชชันนารีนะแกสอนสาศาสนาแล้วก็แกก็เอาเทคโนโลยีอย่างฝรั่งเอามา ไอ้เครื่องพิมพ์ภาษาไทยหนังสือพิมพ์ไทยฉบับแรกก็ผลิตโดยหมอบัตเล่การการปลูกฝีเนี่ยครั้งแรกก็เริ่มต้น่างหมอบัตเล่แต่หมอบัตเล่แกเป็นคนที่เคร่งศาสนามากและศาสนาคริสต์โปรเตสแตนที่แกรับถือเนี่ยเขาห้ามนะการบูชาเคารพรูปห้ามการเคารพ ห่างการบูชารูกขับรถเห็นเพื่นแกเห็นชาวพูดเนี่ยนับถือไหวพระพุทธรูปเนี่ยแกก็ไม่พอใจแกก็ไปพูดนะให้คนเนี่ยเลิกนับถือพระพุทธรูปมีคราวหนึ่งแล้วก็ไปพูดไป่ยนไห้หาปาก็ได้หรือไปตะโกนหน้าร้านที่ขายพระพุทธรูปเนี่ยว่ามันเป็นความงมงายกล้ามากเลย ไปพูดโจมตีการบูชาพระพุทธรูปนหน้าร้านที่ขายพระพุทธรูปเนี่ยเจ้าของรา้านแกก็นั่งฟังนะนั่งฟังหมอบัรเลนด่าพระพุทธรูปแกก็แกก็ฟังแกก็อดทนมากเลยนะจนกระทั่งหมอบัรเลนด่าจนเหนื่อยแล้ววันน้าอากาศมันร้อนหมอบัรเล ก, ก็อายุมากแล้ว เจ้าของร้านก็เลยชวนหมอแบทเล่เนี่ยมามานั่งพักในร้านนะไม่ได้โกรธเลยนะไม่ได้นั่งพักในร้านเดียวนะเอาน้ํามาให้หมายดื่มด้วยโอ้มีความเป็นเรียกว่ามีน้ําใจไมตรีมากทั้งที่หมอแบทเลยเนี่โจมตีด่าพระพุทธรูปเนี่ยซึ่งในสายตาคนทั่วไปเนี่ยก็คือว่าเนี่ย ห้หมอบัดเล่เนมันทำเกินไปนะแต่ว่าเจ้าของร้านนี้ไม่โกรธเลยไม่เกลียดด้วยนะชวนมากินน้ำพักผ่อนในร้านแล้วค่อยถามว่าทำไมเนี่ยถึงทำอย่างนั้นโอ้นี่เป็นความแสดงความเป็นพุทธอย่างแท้จริงนะก็คือว่าแม้จะเจอคนที่เห็นต่างจะเจอคนที่โจมตี สิ่งที่เรานับถือนะแต่ไม่มีความโกรธไม่มีความเกลียดมีแต่ความเมตตาหมอบเบลเลยรู้เลยว่าโอ้โ oh, ห oh, ชาวพุทธนี่นะเรียกว่าน้ำใจสูงมากแล้วก็เลยรู้ว่าเนี่ยการที่จะทำให้คนนับถือชาวพุทธไทยนับถือศาสนาอื่นนี่มันยากนะเพราะว่าพุทธศาสนาเนี่ยที่คนนับถือมันมันทำให้คนมีน้ำใจมาก อันนี้แ่ะคือแบบอย่างนะของความเป็นพุทธนะคือแม้เจอคนที่คิดผิดไปจากเราก็ไม่ได้เห็นเขาเป็นศัตรนะูมีเมตตาตถ้าเราชาวาพุทธเรามีแบบเยอะๆนะีมันไอการที่ผู้คนจะจะเกลียดชังกันจะลุมทำร้ายกันมันก็จะน้อยลงแต่ดีนี้ชาวาพุทธเราก็ไปมีส่วนไปไปเพิ่มไปเสริมโหมกระพือความเกลียดชังให้มีมากขึ้นเพียงเพราะว่าคิดต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นคิดผิดระเบียบคิดผิดระบอบหรือว่าคิดผิดทำเนียมก็ตาม